เปล่าคะ่ะมันผุดขึ้นมาเองและยิ่งกังวลก็เหมือนยิ่งคิดบ่อยขึ้นทุกทีงั้นถามอีกคำใจจริงกว้างอยากกราบหรือคิดกับพระดีๆมากกว่าใช่ไหมเธอตอบคะ่ะเนี่ยแหละจิตของเราส่วนที่ควบคุมไม่ได้คือการแสดงตัวของอนัตตามันไม่ใช่ตัวเราส่วนที่ควบคุมได้คืออุปาทานว่าเป็นเราเราทาได้แค่กับส่วนที่เป็นเราอย่างตอนเนี้ย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 ลมหายใจต่อไปยังอยู่อีกหรือเปล่าถ้าไม่อยู่ก็แปลว่ามันรั้งตัวเองไวไไ้ทรมานใจเราไม่ได้นานเหมือนกันมีความไม่เที่ยงมีอันต้องแตกดับไปเป็นธรรมดาเหมือนกันใจนุตรองตามแล้วเริ่มเห็นเขาว่าตนจะสบายใจขึ้นได้อย่างไรเธอตอบกลับมาว่าค่ะกวางจะทำตามนั้นแล้วเธอก็มีสีหน้าสดชื่นขึ้นพร้อมกับพูดต่อว่า